วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่31ธันวาคมพุทธศักราช2566เป็นวันสิ้นปีคือวันสุดท้ายของปี2566เป็นวันที่พุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมจะได้เอามา เป็นเวลาที่เราจะมาตรวจดูบัญชีของการกระทําของเราตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปีวันนี้เราได้ทําบุญและทําบาปกันมากน้อยเพียงไรเพราะการกระทําบุญและการกระทําบาปนี้จะมีผลกระทบ ดวงวิญญาณของพวกเราเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าเราได้ทำบุญไว้มากกว่าทำบาปบุญก็จะมีกำลังที่จะดึงดวงวิญญาณของเราให้ไปสู่สุขคติคือไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆแต่ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญ บาป ก, ก็จะดึงดวงวิญญาณของพวกเราให้ไปในทุกขติทุกขติก็คือการไปเกิดเป็นเปรตเป็นนสุรกายหรือไปตกนรกหรือไปเกิดเป็นสารเมลาชาล น, นี่เป็นทุกขติทุกขติก็คือพบที่มีความทุกข์มากกว่ามีความสุข ส่วนสุขตินี้ก็คือพบที่มีความสุขมากยิ่งกว่าความทุกข์จะไปสุขคติหรือทุกขติก็อยู่ที่บุญและบาปที่เราได้ทำกันมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาว่าเราทำอย่างไหนมากกว่ากันเหมือนกับบริษัทห้างร้าน เขาก็ต้องดูบัญชีรายรับรายจ่ายว่าปีนี้รายรับได้เท่าไหร่รายจ่ายได้เท่าไหร่ถ้ารายรับมากกว่ารายจ่ายก็แสดงว่าได้กําไรถ้ารายจ่ายมีมากกว่ารายรับก็แสดงว่าขาดทุนถ้าไม่แก้ไข ปล่อยให้ขาดทุนไปเรื่อยๆต่อไปบริษัทก็ต้องล้มละลายไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้บริษัทจึงมีการตรวจบัญชีกันอยู่ทุกปีทุกปีจะมีตรวจดูว่าปีนี้ได้ทำการมาที่ผ่านมาได้รายได้เท่าไหร่ได้รายจ่ายเท่าไหร่ ถ้าได้รายได้มากกว่ารายจ่ายก็แสดงว่าบริษัทกำไรและจะสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างมั่นคงนแต่ถ้ารายจ่ายมากกว่ารายรับก็แสดงว่าบริษัทเริ่มมีการขาดทุนต้องรีบมีการแก้ไขด้วยการลดรายจ่ายให้น้อยลง และหาวิธีเพิ่มรายได้ให้มีมากขึ้นเพื่อที่ในปีต่อไปรายรับจะได้มีมากกว่ารายจ่ายถ้ารายรับมีมากกว่ารายจ่ายก็แสดงว่าบราิษัทนี้อยู่ต่อไปได้อย่างมั่นคงไม่ล้มละลายอย่างแน่นอน ฉัในใดจิตใจของพวกเรานี้ก็เป็นเหมือนบริษ์ท่างร้านนี่ที่มีทั้งรายรับและมีทั้งรายจ่ายรายรับก็คือบุญกุศลต่างๆที่เราได้ทำกันและรายจ่ายก็คือบาปการกระทำบาปต่างๆที่เราได้อาจจะได้กระทำกันในบางโองกาสบางเวลา การทำทั้งสองอย่างนี้คือบุญหน้าบาปมีผลกระทบต่อจิตใจหรือดวงวิญญาณของพวกเราขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ถ้าบุญมีมากกว่าบาปจิตใจของเราก็จะมีความสุขมากกว่าความทุกข์ถ้าบาปมีมากกว่าบุญ จิตใจของเราก็จะมีความทุกข์มากกว่ามีความสุข<ม>ดังนั้นเถ้าเราสังเกตได้เราสังเกตเป็นเราก็ดูความรู้สึกของใจเราในแต่ละวันก็แล้วกันว่าใจของเราช่วงนี้เป็นอย่างไรมีสุขมากหรือมีสุขน้อยมีทุกข์มากหรือมีทุกข์น้อย<ม>อันนี้มันก็เป็นตัวบ่งชี้อย่างหนึง่ง ให้เรารู้ว่าการทำบาปของเราอาจจะมากกว่าการทำบุญของเราถ้าเรามีความรู้สึกมีทุกข์มากกว่าถ้าเรามีความรู้สึกมีสุขมากกว่ามีความทุขกข์ก็แสดงว่าเราได้ทำบุญไว้มากกว่าได้ทำบาปนี่เป็นสิ่งสองอย่างเท่านั้นที่จะมีผลกระทบต่อจิตใจ ของพวกเราสิ่งอื่นๆนั้นมันไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่เช่นการได้เงินได้ทองมามากหรือน้อยหรือการสูญเสียเงินทองไปมากหรือน้อยนี้มันเป็นสิ่งที่อาจจะมีผลบ้างแต่ไม่รุนแรงเท่ากับการกระทำบุญและการกระทำบาปของเราดังนั้นเราควรจะให้ความสําคัญ ต่อการกระทําบุญและการกระทําบาปเพราะมันจะมีผลทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และหลังจากที่เราตายไปแล้วบุญและบาปนี่แหละจะเป็นผู้ที่มาจัดการมาควบคุมใจของเราให้ไปสวรรค์หรือให้ไปอาบายกันทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆ ที่เราหาได้ในขณะที่เรามีชีวิตยอยู่นี้พอร่างกายตายไปแล้วทรัพย์สมบัติต่างๆเหล่านั้นช่วยอะไรเราไม่ได้เลยแม้แต่ลิดเดียวมีเงินทองเท่าไหร่ก็ไม่สามารถเอาติดตัวไปได้ถ้าอยากจะเอาเงินทองที่เรามีอยู่ติดตัวไปเราก็ต้องเอาไปทำบุญแทนเอาไปเปลี่ยนเปลี่ยนเงิน เงินของโลกนี้คือทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองเราก็ต้องเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินของโลกทิพย์ที่เราจะไปกันต่อไปเหมือนที่เราใช้ในโลกทิพย์เราก็เรียกว่าบุญนี่เหือนเหมือ น, นกับเวลาที่เราจะเดินทางไปต่างประเทศนะเช่ <c oughs> นเราจะไปประเทศใดประเทศหนึ่งเราก็ต้องมีเงินสกุลของประเทศนั้นติดตัวไป ถ้าเราเอาเงินบาทไปเราอาจจะไม่สะดวกในการใช้จ่ายเพราะจะใช้แต่ละครั้งก็อาจจะต้องไปหาธนาคารไปหาที่แลกเปลี่ยนเงินเอาเงินของท้องถิ่นออกมาใช้แต่ถ้าเราแลกไว้ตั้งแต่ที่เราอยู่บ้านเราก่อนที่เราจะออกเดินทางเราไปประเทศไหนเราก็แลกเอาเงินของประเทศนั้นไป พอเราไปถึงประเทศนั้นเราก็จะสามารถมีเงินไม่ใช้ใจ่ายได้อย่างสะดวกอย่างสบายบุญนี้ก็เป็นเหมือนเงินทองที่เราจะใช้หลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้ว <c oughs> พอเราร่างกายตายไปแล้วนี้เราต้องเปลี่ยนเงินทองของร่างกายมาเป็นเงินทองของใจ <c oughs> <c oughs> เงินทองของใจก็คือบุญต่างๆ ถ้าเราอยากจะเอาเงินทองที่เรามีอยู่ที่เป็นของเรานี้ไปกับเราทั้งหมดเราก็ต้องเอาไปเปลี่ยนไปเห <designers S 2> มือนกับงานเอาเงินบาทไปเปลี่ยนถ้าเราจะไปประเทศญี่ปุน่นเรามีเงินบาทเท่าไหร่เราก็เปลี่ยนเป็นเงินญี่ปุ่นไปให้หมดเปลี่ยนเป็นเงินเยนไปก็เราก็เอาเงินของเราทั้งหมดไปกับเราได้แต่ถ้าเรา ไม่เปลี่ยนเอาแต่เงินบาทไปถ้าเราไปที่ประเทศญี่ปุ่นมันคนญี่ปุ่นเขาก็อาจจะไม่รับเงินบาทของเราก็ได้เ<ม>ช่นเดียวกับโลกทิพย์ที่เราจะไปกันนี้ที่ดวงวิญญาณของเราจะไปอยู่กันนี้จะเอาเงินทองของโลกนี้ของโลกของร่างกายนี้ไปใช้ไม่ได้เลยมไม่นชแต่บาทเดียว<ม>ถ้าอยากจะเอาเงินทอง<ม>ของโลกนี้ไปใช้ ในโลกทิเราก็ต้องเอาไปแลกเปลี่ยนเอาไปแลกเปลี่ยนเช่นแลกเปลี่ยนที่วัดไปแลกเปลี่ยนตามสถานที่ต่างๆที่เราอยากจะไปทําบุญด้วยไปทําบุญที่วัดก็ได้ทําบุญที่โรงเรรีียนก็ได้ททําบุญ่โงพยาบาลก็ได้ทําบุญกับองค์กรมูลนิธิต่างๆ ที่ทำคุณทำประโยชน์ให้แก่สังคมก็ได้ถ<ม>านที่เหล่านี้เป็นเหมือนกับธนาคารให้เราเอาทรัพย์ของร่างกายของเหล่านี้ไปแลกเปลี่ยนให้เป็นทรัพย์ของใจ<ม>เป็นทรัพย์ภายในเป็นทรัพย์ที่เราจะเอาติดตัวไปได้<ม>ถ้าเรามีทรัพย์ภายในติดตัวไปเวลาเราตายไปดวงวิญญาณของเราก็จะได้ไม่ต้องมารอรับส่วนบอร ของาติพี่น้องที่ยังอยู่ในโลกนี้เพราะเราไม่สามารถเอาบุญ<ม>เราไม่มีบุญติดตัวไปทรัพสมบัติข้าวของเงินทองของเราเราก็เอาไปเปลี่ยนเป็นบุญตอนนั้นไม่ได้เสียแล้วเพราะร่างกายเราตายไปแล้วทร<ม>ับเหล่านั้นก็จะกลายเป็นของลูกหลานไปของผู้่นไปทั้งหมดแล้วถ้าเรารอให้เขามาเปลี่ยนบุญแล้วส่งไปให้กับเรานี้ เขาก็ไม่ได้เปลี่ยนมากมายกายกองนะเขาก็ต้องเก็บเอาไว้ใช้เก็บไว้กินเก็บไว้เป็นของเขาไปเขาก็อาจจะทําบุญบ้างเช่น<ม>จัดงานศพให้น<ม>ิมนพระมาะสวด<ม>แล้วก็ อ, อุทิศบุญไปตามธรรมเนียนมแต่จะไม่ได้บุญมากเท่ากับถ้าเราเอาทรัพย์ของเราไปทําบุญในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เลย ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เงินของเราเราไปทำเท่าไหร่เราได้หมดเลยร้อยทั้งร้อยทำร้อยก็ได้เต็มร้อยเลยแต่ถ้ารอให้เขามาทําให้กับเราแล้วอุทิศส่งไปให้กับเรานี่ร้อยหนึ่งนี้เขาอาจจะอาจจะได้เพียงร้อยละสิบหรือร้อยลหนึ่งเท่านั้นเองเป็นจํานวนไม่มากบุญบุญที่เขาอุทิศให้กับดวงวิญญาณต่างๆเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรที่จะ ประมาถไม่ควรที่จะลืมคิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องมีการจากโลกนี้ไปพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราหมั่นระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงไม่ลืมเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวออกเดินทาง เหมือนกับถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องไปเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวหาสิ่งต่างๆหาเงินหาทองติดตัวไปเพราะถ้าเราไม่มีเงินถึงทองติดตัวไปเราก็อาจจะไปไม่ได้ไปก็ไม่มีถ้าไม่มีเงินทองไว้ซื้อตัว๋วไม่มีเงินทองทำวีซ่าไม่มีเงินทองไว้สำหรับเอาไปใช้ เราก็จะไปอย่างทุกยากละบากไปแบบพวกที่ต้องอบพยพจากจากบ้านเมืองเา้าเช่นคนที่ต้องลงเรือกันไปแล้วก็ไปลอยคอกลางทะเลกันพวงนี้เปรียบเหมือนพวกที่ไม่ได้เตรียมตัวออกเดินทางพอถึงเวลาที่จะต้องออกเดินทางก็ไม่มีสเสบียงไม่มีเงินทองติดตัวไป ก็ต้องไปเป็นแบบผู้ลี้ลภัยเป็นผู้ลี้ภัยแบบอนาถาอยู่ตามอยู่ตามค่ายกักกันต่างๆไม่สามารถเข้าประเทศของของที่เราไปได้แต่ถ้าเรารู้รื่วงหน้าก่อนว่าเราจะต้องออกเดินทางจากประเทศนี้ไปประเทศหนึ่ง เราก็เตรียมตัวไว้ได้เรามีเงินทองเท่าไหร่เราก็เอาเงินทองไปไปจัดการกับสิ่งที่จาเป็นจะต้องมีเช mm hmm. ่นเอาไปซื้อตัว๋วตั๋วลุบินเอาไปจ่ายค่าทำวีซ่า mm hmm. แล้วก็เอาไปแลกเป็นเงินของสกุลของประเทศที่เราจะไป mm hmm. พอถึงเวลาที่เราต้องออกเดินทางเราก็ไปยิ้วกระเป๋าไป mm hmm. ได้อย่างสบาย ขึ้นเครื่องได้พอบึงถึงประเทศมีวีซา่าเขาก็อนุญาตเข้าให้ไปอยู่ได้พอเข้าไปอยู่ได้เราก็มีเงินของประเทศนั้นเอาไว้ใช้จ่ายได้พ mm hmm. วกเราทุกคนนี้จะต้องเอาเดินทางกันจากโลกนี้ไปอย่างแน่นอนแล้วก็เวลาที่จะไปก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่าจะไปกันเมื่อไหร่ mm hmm. คนเราไม่จําเป็นว่าจะต้องจากโลกนี้ไปตอนที่เวลา เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาที่ตายไปห ร, หรือเวลาที่แก่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ตายไปบางคนก็อาจจะตายก่อนวัยก็ได้ก่อนที่จะแก่อาจจะตายด้วยโรคภไข้เจ็บบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนแก่หรือเป็นคนไม่แก่ก็ตามหรืออาจจะ ตายด้วยสาเหตุอย่างอื่นก็ได้สาเหตุที่ทําให้คนเราตายนี้มีมากมายอาจจะตายด้วยอุบัติเหตุก็ได้อาจจะตายด้วยอืภัยต่างๆภัยทางธรรมชาติต่างๆก็ได้น้ําท่วมตายก็มีไฟไหม้ตายก็มีพายุพัดตายก็มี <Yeah. S 1> ลูกเขา ถลม่มทลายก็มีแผ่นดินไหวก็มีมการตายของเราทุกคนนี้มันไม่ได้จะตายเฉพาะช่วงเวลาแก่เจ็บเท่านั้นถึงจะตายมันอาจจะตายได้ทุกเวลานาที<ม>พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ชาวพุทธเราอย่าประมาทให้เรานึกถึงความแก่ความเจ็บความตายไว้อยู่เรื่อยๆ เพื่เราจะได้มาเตรียมตัวไปกันอย่าไปเตรียมตัวอยู่อย่าไปสะสมเข้าของเงินทองไว้สำหรับให้อยู่ไปนานๆเพราะไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะอยู่ไปได้นานหรือไม่นานอุตส่าห์เสียเวลาไปหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆมาสะสมมาไว้เพราะคิดว่าจะอยู่ไปเรื่อยๆแต่วันดีนดคืนดีก็ อ, อาจจะเกิด เหตุการณ์ที่ทําให้เกิดความตายขึ้นมาก็ได้เราวทัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เราได้สะสมกันนี้มันก็จะเอาไปไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียว<ม>แต่ถ้าเรารู้อยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตของเราที่อยู่ในโลกนี้เป็นของชั่วคราวเรามาอยู่ที่นี่เดี๋ยวไม่นานเราก็ต้องไปจากโลกนี้ น่าจะไปเวลาใดอายุเท่าไหร่นี้ก็เป็นไปได้ทุกทุกอายุเลยบางคนเกิดมาวันเดียวตายไปก็มีบางคนเกิดมาเดือนหนึ่งตายไปก็มีบางคนก็ปีหนึ่งบางคนก็ห้าปีสิบปีจนกระทั่งถึงร้อยปีก็มีแต่ไม่เหมือนกันทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องสมมุติไว้ก่อนว่าเราอาจจะไปวันนี้ก็ได้หรือไปพรุ่งนี้ก็ได้ ถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นเราต้องรู้จักมาจัดการแบ่งเงินทรัพย์สมบัติของเราให้ใช้ได้ทั้งในขณะที่เราอยู่และให้มีส่วนที่เราสามารถเอาติดตัวไปได้อย่าสะสมเงินทองไว้สําหรับใช้อยู่ในโลกนี้เพียงอย่างเดียวเพราะถ้าถึงเวลาที่จะตายไปนี่เราอาจจะไม่มีเวลาเอาเงินทองต่างๆไปแปลงเป็นบุญได้ดังนั้น ถ้าเร า, เราเลลกอยู่เรื่อยๆว่าการอยู่ในโลกนี้เป็นของชั่วคราว<ม>การตายจากโลกนี้เป็นของแน่นอนเป็นของที่เราจะต้องเตรียมตัวร่วง่วงหน้าไว้ก่อน<ม>ถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะได้แบ่งทรัพย์สมบัติไว้ทั้งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเราก็แบ่งเอาไว้สำหรับใช้ใจ่ายในขณะที่เราอยู่ในโลกนี้อยู่อีกส่วนหนึ่งเราก็เอามาแลกเป็นบุญกัน แรกเป็นเงินทิปกันเพราะที่เวลาที่เราตายไปเราจะได้มีบุญมากกว่ามีบาป พ, พาเราไปสู่สุคติได้เช่น mm hmm. เดียวกับบาปเราก็ต้องรู้ว่าบาปนี้เป็นเหมือนกับเป็นหนี้ก mm hmm. ารมีหนี้นี้ไม่ใช่มีความสุข mm hmm. เวลาเรามีหนี้เรารู้ว่าเราก็ต้องชดใช้หนี้ mm hmm. เวลาเราทำบาปทากรรม เราก็ต้องเราก็ต้องชดใช้บาปชดใช้กรรมที่เราจะต้องไปชดใช้บาปใช้กรรมก็คือในอบาบนี้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นนสุลกายและไปตกนรกอันนี้เป็นที่เราจะต้องไปใช้บาปใช้นี่ถ้าเราสร้างนี่กันเอาไว้<ม>การสร้างนี่ก็คือการทำบาปต่างๆเช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์ การประพฤติผิประเพณีการพูดปด<ม>และการเสพอบายามุกดืมชโลายาเมาเป็นต้นก<ม>ารกระทำเหล่านี้เป็นการสร้างหนี้ที่เราจะต้องไปชดใช้เวลาที่ร่างกายของเราตายไปแล้ว<ม>ดวงวิญ ญ, ญาณของเรานี้ถ้าทําแต่บาปหรือทําบาปมากกว่าทําบุญ<ม>บาปก็จะดึงเราไปรับใช้หนี้ก่อน จะไม่มีวันที่จะไปสวรรค์ได้จะไปสวรรค์ได้ก็ต้องรอให้เราไปใช้กรรมใช้บาปให้มันหมดกําลังก่อนพ อ, อบาปไม่มีกําลังที่จะดึงเราไปใช้บาปใช้กรรมในอบายแล้วแต่บุญก็ยังไม่มีกําลังพอ <c oughs> ที่จะดึงเราไปสวรรค์ ตอนนั้นเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ <c oughs> กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็จะกลับมาทำบุญและทำบาปกันใหม่ส่วนใหญ่เราก็จะมักจะกลับมาทำแบบอย่างที่เราเคยทำมาก่อนถ้าชาติก่อนๆเราเคยทำบาปมากกว่าทำบุญ <c oughs> เราก็มักจะกลับมาทำบาสมากกว่าทำบุญ หรือถ้าชาติก่อนๆเราเคยทำบุญม า, มากกว่าทาบาปเวลาเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็มักจะทำบุญมากกว่าทำบาปแล้วเวลาที่เราตายไปถ้าบุญมีมากกว่าบาป บ, บุญก็จะเดึนใจของเรา ด, ดึงดวงวิญญาณของเราให้ไปสวรรค์ได้ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าก็จะเดิงให้ใจของเราไปอาบายนี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรม เป็นกฎของธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับจิตใจของสัตว์โลกทุกดวงไม่ว่าจิตใจดวงไหนก็ตามถ้าทำบาปแล้วก็จะได้ผลจากการทำบาปถ้าทำบุญก็จะต้องได้รับผลของบุญอย่างแน่นอนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไม่เป็นประเด็น เชื่อไม่เชื่อถ้าทำไปแล้วผลก็ต้องเกิดขึ้นกับผู้กระทำนั้นอย่างแน่นอนรู้หรือไม่รู้ก็เช่นเดียวกันรู้ว่าการทำบาปแล้วนี้จะมีผลให้ไปอบายจะรู้หรือไม่รู้ถ้าทำไปแล้วมันก็ไปอบายอยู่ถ้ารู้ถ้าไม่รู้ว่าการทำบุญแล้วจะไปสวรรค์ถ้าทำบุญแล้วมันก็ไปสวรรค์อย่างแน่นอนไม่มีอะไรจะมาเปลี่ยนแปลงได้ ไม่มีอะไรจะมาเป็นข้ออ้างว่าไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่ไม่ควรที่จะถูกรับผลของบุญหรือของบาปอันนี้มันไม่ได้อยู่ที่รู้ไม่รู้รูออยู่ที่อยู่ที่ ท, ทาหรือไม่ทํามันอยู่ที่ทำหรือไม่ทํา <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องมาศึกษาจากผู้รู้ <Yeah. S 1> ผู้รู้ก็คือพระพุทธเจ้ากับพระสาวกของพระพุทธเจ้า yeah. ท่านเหล่านี้ได้ศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมมาจนรู้อย่างชัดแจ้งแดงแจ๋ว่าใครเป็นผู้กระทำบุญและเป็นผู้กระทำบาและเป็นผู้ที่จะไปรับผลบุญและผลบาปต่อไป mm. ผู้ที่ทำบุญผู้ทำบาปก็คือใจนี่ใจที่เป็นผู้รู้ผู้คิด <c oughs> เป็นผู้ที่สั่งให้ร่างกายเป็นเป็นผู้กระทำให้ ร่างกายนี้เป็นเหมือนเป็นเครื่องมือนะร่างกายนี้ไม่มีความรู้สึกนึกคิดในตัวมันเองร่างกายนี้มันไม่สามารถทำบุญหรือทาบาปด้วยตัวของมันเองได้มันต้องรอรับคาสั่งจากใจผู้ที่จะสั่งให้ร่างกายนี้ไปทำบุญหรือทาบาปร่างกายนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกับมีดเนี่ยมีดนี้ถ้าวางไว้เฉยๆมันไม่สามารถไปทา คุณทำประโยชน์เลือไปทำโทษกับใครได้คนมีดจะไปทำคุณทำประโยชน์เลือไปทำโทษได้นี้เกิดจากคนที่เอามาใช้มีดคนใช้มีดเอามีดไปทำประโยชน์เอาไปตัดตัดข้าวตัดของอะไรต่างๆเช่นเอาไปทำกับข้าวก็ต้องมีมีดทำกับข้าวอย <S S S> ่างนี้ถ้าเอาไปทำประโยชน์มันมันก็ได้ประโยชน์ถ้าเอาไปทำ โทษก็คือเอาไปฟันพูดเอาไปทิ้มแทงพูดมันก็เกิดโทษขึ้นมาได้แต่ผู้ที่จะไปรับผลของการกระทานี้ไม่ใช่มีดเวลาตำรวจจับคนที่เอามีดไปแทงคนอื่นตายนี่เขาไม่จับเอามีดไปขังคุกขังตารางแต่เขาจับคนที่ใช้มีดนี้ไปขังคุกขังตารางแทงนชั้นใดร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนมีด คนที่ใช้มีดก็คือใจใช้ร่างกายก็คือใจคนที่สั่งให้ร่างกายไปทำบุญก็คือใจคนที่สั่งให้ร่างกายไปทำบาปก็คือใจผลยึงเกิดขึ้นที่ใจไม่ได้เกิดขึ้นที่ร่างกายเราบางคนอาจจะงงว่าทําไมเห็นคนคนชั่วทําชั่วแต่กลับได้ดิบได้ดีก็มีเพราะเราไปเห็นที่ร่างกายเขา ทำชั่วแล้วได้ดิบได้ดีได้รางวัลก็มีได้ขึ้นเงินเดือนได้รับรางวัลได้รับเลื่อนขั้นตำแหน่งก็มีคนทําดีกับไม่ได้รับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็มีเพราะคนที่ให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนี้เขาชอบคนที่ทําบาปเขาก็สนับสนุนคนที่ทําบาปเขาไม่ชอบคนที่ทําดีเขาก็ไม่สนับสนุนคนที่ทําดีดังนั้นบางทีเราก็อาจจะงงในเรื่องของกฎแห่งกรรมว่า เอ๊ะทำไมคนนี้ทำดีแล้วกลับไม่ได้ดีคนนี้ทำบาปทำไม่ดีแล้วกลับได้ดีเพราะว่าเราไปดูที่ร่างกายของเขาร่างกายของเขาเป็นผู้รับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนยศเป็นผู้ที่รับรางวัลเงินเดือนเพิ่มอย่างนี้ร่างกายเป็นผู้รับไม่ใช่ใจเป็นผู้รับผลที่ใจเป็นผู้รับนี้ที่เกิดจากการทำบุญหรือทำบาปนี้ คือความรู้สึกสุขหรือความรู้สึกทุกข์ oui. เวลาทำบุญแล้วใจจะเกิดความรู้สึกสุขใจขึ้นมาอิ่มใจขึ้นมามเวลาทำบาปแล้วใจจะรู้สึกทุกข์ใจไม่สบายใจขึ้นมาอันนี้แหละคือผลที่เกิดจากการทำบุญหรือทำบาปที่เกิยกับคนที่ผู้ที่กระทำก็คือใจนี้เองร่างกายไม่รู้สึกเวลาทำบุญหรือทำบาป น่างกายไม่มีความรู้สึกสุขหรือทุกข์กับการทำบุญหรือทำบาปแต่อย่างใดเหมือนกับมีดที่เอาไปใช้ทำคุณหรือทำทำโทษไปทำร้ายผู้อื่นมีดมันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรมันไม่รู้ว่ามันไปทำอะไรผู้ที่ใช้มีดอ่ะะเป็นผู้ที่รู้ว่าไปทำคุณทำประโยชน์หรือไปทำโทษไปทำความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื ผู้ที่ใช้มีดนั่นแหละจะเป็นผู้ที่มีความรู้สึกทุกข์ใจขึ้นมาสุขใจขึ้นม า, นมานะดังนั้นขอให้เราเข้าใจถึงเรื่องกฎแห่งกรรมว่ามันมันเกี่ยวกับจิตใจมันไม่เกี่ยวกับร่างกายนะร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือนะซึ่งบางครั้งร่างกายก็อาจจะได้รับผลก็ได้หรือบางครั้งอาจจะไม่ได้รับผลก็ได้นะแต่ผู้ที่รับผลแน่นอนก็คือใจ ถ้าทำบุญแล้วใจก็จะได้รับผลคือความสุขใจแล้วก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งจากขั้นที่เป็นอยู่ให้ขึ้นไปสู่ขั้นที่สูงขึ้นเช่นถ้าตอนนี้เป็นมนุษย์แล้วไปทำบุญอยู่เรื่อยๆใจก็จะเลื่อนเลื่อนตาแหน่งขึ้นไปจากมนุษย์ให้ไปเป็นเทวดา <c oughs> เป็นเทพ <c oughs> เวลาตายไปร่างกายตายไปใจก็จะกลายเป็นเทวดา ใจก็จะอยู่บนสวรรค์อยู่สวรรค์ชั้นเทพแล้วสวรรค์ชั้นเทพก็มีหลายชั้นขึ้นอยู่ว่าทําบุญมากทําบุญน้อยมีถึงหชั้นด้วยกันทําบุญน้อยก็อยู่ชั้นต่ําทําบุญมากก็มีอยู่ชั้นสูงคือมีความสุขมากขึ้นเวลาทําบุญน้อยก็จะมีความสุขน้อยกว่าเวลาที่เราทําบุญมากมนี่แหละคือความสุขความเจริญที่เกิดจากการทําบุญ เกิดขึ้นกับใจไม่ได้เกิดขึ้นกับร่างกายร่างกายไม่รู้สึกอะไรทําบุญมากทําบุญน้อยร่างกายก็เป็นเหมือนเดิมร่างกายก็ยังต้องแก่เจ็บตายเหมือนเดิมเปลี่ยนความจริงอันนี้ของร่างกายด้วยการทําบุญหรือด้วยการทําบาปไม่ได้มันเป็นเรื่องของใจล้วนๆดังนั้นขอให้เราเข้าใจกฎแห่งกรรมที่ที่ ที่แสดงผลคือแสดงผลแก่ผู้กระทำาคือใจทำดีได้ดีทำาชื่อได้ชื่อทำดีได้ความสุขความเจริญทำเชื่อได้ความทุกข์ได้ความเสือ่อมอยู่ที่ใจผลเกิดขึ้นที่ใจเพราะใจเป็นผู้กระทาเวลาใจทำบาปแต่ละครั้งนี้ใจก็จะเสื่อมลงไปความทุกข์ในใจก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเวลาทำบาปเราจะ สร้างความทุกข์ในใจให้มากขึ้นและลดฐานะของใจให้ให้ต่ำลงอยากมนุษย์เราก็จะกลายเป็นเดรัจฉานไปที่ละเล็กทีลน้อยหรือกลายเป็นเปรตกลายเป็นโนสุรกายหรือกลายเป็นนรกไปที่ละเล็กที่น้อยมันเกิดจากการกระทําของเรา<ม>ทาบุญและทําบา<ม>ส่วนร่างกายนี้มันก็อยู่ในโลกนี้เพียงชั่วคราวตามธรรมชาติของมัน เมื่อมันเกิดแล้วมันก็ต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายไปมันไม่ได้รับผลอะไรหลังจากที่มันตายไปแล้วเวลาร่างกายตายไปแล้วมันก็ย่อยสลายกลับคืนสู่ธาตุเดิมธาตุที่มาทําให้เกิดร่างกายก็คือธาตุดินน้ําลมไฟนี่เรื่องของร่างกายก็มีเท่านี้ไม่ได้เป็นผู้ผู้ทําบุญหรือทำบาปไม่ได้เป็นผู้รับผลบุญผลบาปหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้ว ผู้ที่ทำบุญทาบาปก็คือใจผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ร่างกายผู้สั่งนี่คือใจเป็นอีกคนหนึ่งท่านถึงยากว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวชีวิตตัวพวเราตัวเราทุกคนนี้มีมีสองคนไม่ใช่มีคนเดียวไม่ใช่มีร่างกายอย่างเดียวไม่ใช่มีร่างกายแล้วจิตใจอยู่ในร่างกายอันเดียวกันไม่ใช่ ร่างกายอยู่เอกอยู่แยกอยู่จากร่างกายใจแยกอยู่กับจากร่างกายไม่ได้อยู่ด้วยกันร่างกายอยู่ในโลกกระทาต<ม>โลกแห่งดินน้ำลมไฟนี้เราเรียก่าโลกกระทาตส่วนใจนี้อยู่ในโลกทิพย์โลกทิพย์โลกของจิตวิญญาณของดวงวิญญาณใจไม่มีรูปร่างหน้าตาใจเป็นกายทิพย์แต่ใจมีความสามารถที่จะรู้ที่จะคิด ที่จะสัมผัสกับสิ่งต่างๆที่ที่มากระทบกับร่างกายได้เช่นรูปเสียงกลิ่นรสผดตภะชนิดต่างๆ mm hmm. ใจเป็นผู้รับรู้ทั้งหมดร่างกายไม่รู้อะไรเวลาร่างกายเห็นภาพร่างกายไม่รู้ว่าเห็นภาพอะไรผู้ที่เห็นภาพนั้นก็คือใจผู้ที่รู้ภาพก็คือใจรู้ว่าภาพนี้เป็นภาพคนหรือเป็นภาพสัตว์ mm hmm. รู้ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชาย หรือว่าเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีผู้ที่รู้นี้ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่รู้นี้คือใจแล้วผู้ที่สั่งให้ร่างกายกระทาต่อคนที่เห็นก็คือใจสั่งให้ไปแสดงความเป็นมิตรด้วยกัน<ม>ก็มีหรือสั่งให้ไปเป็นศัตรูกันก็มีมก็ใจนี่แหละเป็นผู้สั่งร่างกายเป็นเพียงแต่ผู้รอรับคําสั่งร่างกายเป็นบ่าว ใจเป็นนายผู้ที่กระทำจึไม่ใช่เป็นร่างกายร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือผู้ที่จะรับผลกระทำคือสุขหรือทุกข์ก็ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่จะรับผลกระทำก็คือใจเวลาทำบุญทำความดีใจก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาเวลาทำบาปทำไม่ดีใจก็จะทุกข์ขึ้นมาและความสุขความทุกข์ที่ทำนี้มันก็จะสะสมอยู่ในใจไปเรื่อย เป็นเหมือนกับบัญชีเงินเงินรายรับรายจ่ายที่เราที่เรามีอยู่ในแต่ละปีพอเราเริ่มต้นต้นปีเราก็มีรายรับเข้ามามีรายจ่ายเข้ามาเราก็เราก็บวกมันไปเรื่อยๆ เ, เดือนนี้มีรายจ่ายเท่านี้มีรายรับเท่านี้เดือนที่สองมีรายรับเท่านั้นมีรายจ่ายเท่านี้เราก็บวกไปเรื่อยๆมันก็ต่อยอดไปเรื่อยๆเพิ่มยอดไปเรื่อยๆเนี่ยบุญที่เราทาหรือบาปที่เราทานี้มันไม่ได้หายไปเนะ มันสะสมอยู่ในใจของเราไปจนกว่าเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเนี่ยบุญที่เราสะสมไว้หรือบาปที่เราสะสมไว้เนี่ยจะเริ่มเอาออกมาใช้กันแลจะเริ่มมาทํางานกันแล้วถ้าเป็นบุญถ้าบุญมีกําลังมากกว่าบาปบุญก็จะดึงใจให้ไปเสวยบุญอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆ ต, ตอนนั้นบุญที่เราได้สะสมไว้ในใจเราก็จะค่อยๆหมดไป หมดไปจากการที่เราไปเสกความสุขบนสวรรค์กันจนถึงจนถึงจุดหนึ่งจนจนถึงจุดที่บุญไม่สามารถที่จะดึงใจให้อยู่บนสวรรค์ได้แล้วแล้วก็บาปก็ยังไม่มีกําลังพอที่จะดึงใจให้ลงไปสู่บายได้ช่วงนั้นใจของเราก็จะมารอรับร่างกายของมนุษย์ใหม่มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ เช่นเดียวกับถ้าเราทำบาปเราก็จะสะสมบาปไวในใจของเราไปเรื่อยๆพอเวลาที่ร่างกายตายไปถ้าบาปที่เราสะสมไว้มันมีมากกว่าบุญมันมีกำลังมากกว่าบุญมันก็จะดึงใจให้ไปรับผลบาปพอเราไปรับผลบาปไปเป็นเดาชะฉาน เ, นเป็นเปรตเป็นนสุรกายหรือไปนรกบาปที่เราทำมันก็จะเริ่มค่อยๆลดลงมามันค่อยๆลด พอเรากำลังไปใช้บุญใช้บาปอันนี้กาลังไปใช้บาปกันอยู่พอบาปมันลดลงมาระดับที่ไม่สามารถดึงใจให้อยู่ในอบายได้แล้วบุญก็ไม่มีกำลังที่จะดึงใจให้ไปอยู่บนสวรรค์ได้ตอนนั้นเราก็จะมาเกิดใหม่มาเป็นมนุษย์ใหม่มาเกิดเป็นมนุษย์มาสร้างบุญสร้างบาปกันใหม่พบของมนุษย์นี้เป็นพบที่มันเรามาสร้างบุญสร้างบาปกัน ไม่ใช่เป็นภพที่เรามารับผลบุญผลบาปภพที่เราไปรับผลบุญผลบาปก็คือสวรรค์หรืออบาย mm hmm. แล้วก็ในช่วงที่เราไปอยู่ในสวรรค์หรืออยู่ในอบายเราก็ทำบุญทาบาปไม่ได้ mm hmm. เพราะเป็นช่วงที่เราไปรับผลบุญผลบาปกัน mm hmm. เราจะมาทำบุญทาบาปก็ต่อเมื่อเรามาเกิดเป็นมนุษย์กันนี่ mm hmm. ดังนั้นการที่เราจะต้องมาคอยสอดส่องดูแลการกระทาของเรา ว่าเราทำบุญมากกว่าทำบาปหรือไม่หรือทำอย่างไหนมากกว่ากันถ้าเรารู้ว่าถ้าทำบุญมากมันจะทำให้ใจเรามีความสุขมากเวลาตายไปเราไปสวรรค์ถ้าเราทำบาปมันจะทำให้ใจเราทุกข์มากขึ้นแล้วเวลาตายไปจะต้องไปอบายถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้วเราก็จะได้ตั้งสติคอย ควบคุมการกระทำของเราคือพยายามห้ามไม่ให้ใจไปทำบาปหรือทำให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้แล้วพยายามสั่งให้ใจไปทำบุญให้มากๆทำบุญได้เท่าไหร่ยิ่งมากได้เท่าไหร่ยิ่งดีไม่ต้องไปเสียดายทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเพราะเวลาเราตายไปเราก็เสียอยู่ดีแต่เสียโดยที่ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้บุญ ไ, ไม่ได้บุญติดตัวไป แต่ถ้าเราเสียตอนที่เราเอาไปทำบุญนี้เราจะได้เอาบุญติดตัวไปได้ด้วยให้เราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้เชื่อในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราละการกระทำบาปทั้งปวงอย่าทำบาปเลยทำบาปแล้วต้องไปใช้นี่ใช้ใช้บาปใช้กรรมให้เราทำแต่บุญแล้วเราจะได้ไปรับผลบุญเวลาที่ร่างกายของเราตายไปแล้ว พเจ้าถึงสอนชาวพุทธเราให้ละการกระทําบาปทั้งปวงอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดประเพณีอย่าพูดปดและอย่าดื่มของมึนเมาเช่นสุรายาเมาหรื อ, อยาเสพติดต่างๆที่ทําให้เกิดประสาทหลอนขึ้นมาไม่สามารถควบคุมจิตใจได้เพราะเมื่อไม่มีสติคอยควบคุมจิตใจ เวลามีอารมณ์ที่อยากจะทำบาปมันก็จะไม่มีใครยับยั้งได้แต่ถ้าเราไม่ดื่มของมูลนิยมเราจะมีสติคอยยับยั้งเวลาที่เกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาจะคิดไปทำร้ายผู้จะคิดไปฆ่าไปลักทัพย์ไปพูดไปประพูดผิดประเพณีไปพูดโกรโกหกหลอกลวงถ้าเรามีสติเราก็จะไม่ไปทำได้เราก็ห้ามใจเราได้ แต่ถ้าเรามึนเมาขึ้นมาขาดสติแล้วพอน้ึกอยากจะทําอะไรมันก็ทําไปเลยส่วนใหญ่ก็จะทําในสิ่งที่ไม่ดี<ม>เพราะมันจะเกิดเวลาไม่มีสตินี้อารมณ์ไม่ดีมันมักจะเกิดขึ้นและจะไม่สามารถควบคุมห้ามมันได้<ม>เหมือนกับตอนนี้เรามีสติตอนที่เรามีสติถ้าเรามีอารมณ์ไม่ดีเราก็ยังข่มใจได้ห้ามใจไว้ได้อยู่ ดังนั้นพระพุเจ้าสอนว่าอย่าเสพอบายามุขเช่นสุรายาเมา mm hmm. อบายามุขอย่างอื่นก็ไม่ควรเสพเช่นเดียวกันคือการเล่นการพนันการเที่ยวเตะ mm hmm. การการมีความเกลียดแค้นและการครบคนชอบอบายามุขเป็นนิตร mm hmm. คนที่ชอบอบายามุขถ้าเราไปคบกับเขาเป็นเพื่อนเขาก็จะชวนเราไปไปเสพอบอบายามุขกับเขา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 มีแต่การสูญเสียทรัพย์สินเงินทองที่เรามีอยู่ไป mm hmm. แล้วถ้าเสพบ่อยๆต่อไปเราจะเงินทองจะไม่พอใช้ mm hmm. พอเงินทองไม่พอใช้มันก็จะบังคับให้เราไปหาเงินทองด้วยวิธีทำบาป mm hmm. ไปช่อโกองไปหลอกลวง mm hmm. ไปรักทรัพย์ของผู้นั่นเอง mm hmm. นี่คือสิ่งที่เราไม่ควรกระทำกันถ้าเราไม่อยากที่จะต้องไปรับผลของบาป mm hmm. เลความทุกข์ใจในมีความทุกข์ใจในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และเวลาที่เราตายไปเราก็จะต้องไปใช้กรรมในอบายยังไม่ยังมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ยังไปสวรรค์ไม่ได้ถ้าเราทำบาปมากกว่าเราทำบุญเราอาจจะต้องไปเป็นเดรัจฉานบ้างอาจจะต้องไปเป็นเปรตบ้างเป็นนกสุรากายบ้างหรือไปนรกบ้างขึ้นอยู่กับสาเหตุของการทาบาป ว่าเราทำด้วยเหตุอันใดถ้าทำด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาปเพราะต้องคิดว่าเป็นการทำมาหากินเลี้ยงชีพเช่นทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่ก็อาจจะคิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องทำถ้าจะถ้ า, ถ า, ถาจะอยู่ในโลกนี้ได้ถึงแม้จะทำเพื่อยังชีพก็ยังเป็นบาปอยู่และผลของการทำทำบาปด้วยการยังชีพนี้ก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เพราะสัตว์เดรัจฉานเขาก็ทำบาปด้วยกันเขาก็ยังชีพด้วยการกระทำบาปเช่นเดียวกันสัตว์นี้เขาจะต้องกินสัตว์สัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กสัตว์น้อยกันไปเพื่อจะอยู่รอดถ้ามนุษย์เราทำแบบเดียวกับสัตว์เดรัจฉานเราก็มีจิตใจเหมือนสัตว์เดรัจฉานนั่นเองพอเราตายไปจากร่างกายต่าง ตายจากการเป็นมนุษย์ไปใจเราเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็จะไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานต่อไป<ม>ถ้าเราทํำบาปด้วยความโลภ<ม>อยากได้มากๆอยากมีมากๆ<ม>ถ้าเราทําด้วยความโลภเ<ม><ม>เราก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวย<ม>ได้เท่าไหร่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเพราะความโลภนี้ทำเท่าไหร่มันไม่พอ<ม>ได้แล้วก็อยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ ตรงนี้ก็จะไปเป็นเปรตเป็ น, ป น, ป น, ปนดวงวิญญาณที่หิวโหย mm hmm. ถ้าทําบาปด้วยความกลัวกลัวว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้สัตว์ชนิดนั้นสัตว์ชนิดนี้จะมาทําร้ายเราเราก็เลยไปทําร้ายเขาก่อน mm hmm. ไปป้องกันตัวด้วยการไปทำร้ายเขา mm hmm. เช่นเห็นงูเลื้อยเข้าบ้านมาก็ทุบงูตายเลยแทนที่จะจับแล้วไปปล่อยที่ปลอดภัยไปปล่อยไว้ในป่าก็ก็ฆ่าเขาเลย mm hmm. อันนี้ก็เป็นการกระทำบาบด้วยความกลัวตายไปก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวหุ่มห่อจิตใจอยู่ตลอดเวลา mm hmm. เรียกว่าอาสูรกายแล้วถ้าเราทำบาบด้วยความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดเครียดแค้น mm hmm. ใครทำร้ายเราเราต้องล่างแค้นอย่างนี้อันนี้เรียกว่าใจนี้ก็จะทำบาบด้วยความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาท ใจก็จะไปตกนรกนรกเป็นที่อยู่ของผู้ที่มีความอาฆาตพยาบาทไม่รู้จักให้อภัยนถ้าให้อภัยได้ใจก็จะไม่ทําบาตใจก็จะเย็นใจก็จะสงบใจก็จะเป็นมนุษย์ต่อไปได้แต่ถ้าเกิดใครมาทําร้ายเราแล้วเราเกิดความโกรธอาฆาตพยาบาทไปทําร้ายเขากลับอันนี้แหละจะทําให้เราจะต้องไปตกนรกกันอันนี้คือ ความจริงของกฎแห่งกรรมจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามทําไปแล้วจะต้องเกิดผลขึ้นมาอย่างแน่นอนทําบุญก็จะไปสวรรค์ทาบาปก็จะไปอบายกันแล้วหลังจากใช้บุญใช้บาปหมดแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หน่อยแล้วก็กลับมาทําบุญทําบาปต่อไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเราจะสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดได้นี้เราต้องมา พบกับพระพุทธเจ้าหรือพบกับพระอาลันต่สาวกของพระพุทธเจ้าหรือพบกับพระพุทธศาสนาที่จะสอนให้เรารู้ว่าสาเหตุของการที่เรายังต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้มาเกิดแล้วมาทําบุญมาทําบาปกันอยู่นี้เพราะเรามีความอยากหาความสุขจากตาหูจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะจากสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้คือโลกธรรมทั้งสี่ ถ้าเรายังอยากจะหาความสุขจากลาบยศเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าอยู่นี่เราจาเป็นจะต้องมีร่างกาย mm. เป็นเครื่องมือ mm. เราคือใจ mm. เราไม่สามารถหาโลกธรรมด้วยตนด้วยด้วยดวงวิ ญ, ญญาณของเราเองได้ดวงวิ ญ, ญญาณไม่สามารถไปหาลาบยศเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าได้จาเป็นที่จะต้องมีร่างกาย mm. อันนี้แหละเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเราจรึงต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันอยู่เรื่อยๆเพราะเรายังมีความอยากที่จะหาความสุขจากการเสกรูปเสียงกดลิ่นรสผดผพะจากการมีลาบยศสรรเสริญนั่นเอง <c oughs> ถ้าเราถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดเองพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราต้องหยุดความอยากอันนี้ให้ได้ <c oughs> ถ้าเราสามารถหยุดความอยากที่จะหาความสุขจากการเสกรูปเสียงกดลิ่นรสผดผพะ หาความสุขจากราบยศสรรเสริญได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกต่อไปไม่ต้องมาทําบุญทำบาปในโลกมนุษย์นี้อีกต่อไปแล้วเราก็จะไปนิพพานตามลําดับต่อไปไปไปสู่ที่เราจะต้องไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดแต่การตัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสในโลกธรรมนี้ยังไม่ยังไ ม, ยงไม่ยังไม่สามารถตัดภพชาติให้หมดสิ้นไปได้เพียงแต่ลด การมาเกิดในกามมาพบได้ถ้าเราตัดความอยากในกามได้คืออยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสพจน์สภาะอยากหาความสุขจากาลาภยศสารเสริญได้เราก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายมาเกิดเป็นมนุษย์แต่เรายังจะไปเกิดอยู่บนโพรมโลกอยู่เพราะว่าเรายังไปติดความสุขของของระดับโพรมโลกอยู่ถ้าเราอยากจะไม่อยู่ ไม่ไม่ไปติดไปเกิดอยู่ในกัปในพรหมโลกเราก็ต้องตัดความความอยากที่ยาเสพความสุขของของพรหมโลกถ้าเราตัดความอยากนี้ได้ใจของเราก็จะหลุดออกจากพรหมโลกต่อไปได้แล้วก็ไปอยู่ที่นิพพานแทนนิพพานก็คือที่ที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดติดต่อไปที่ที่มีแต่ความสงบมีแต่ความสุขตลอดเวลามีความอิ่มความพอตลอดเวลา เพราะตัวที่สร้างความหิวสร้างความอยากสร้างความไม่พอนี้ก็คือความอยากต่างๆนี่ถ้ามีปัญญาเห็นว่าความไม่พอความไม่อิ่มความไม่สุขของใจนี้เกิดจากการมีความอยากต่างๆก็ตัดมันเสียด้วยปัญญาด้วยการเห็นว่าสิ่งที่อยากนั้นมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ให้ความสุขที่ถาวรเป็นความสุขชั่วคราวเพราะมันเป็นของไม่เที่ยง สป็นของที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดมันมีเจริญมีเสื่อมได้ความสุขของพภมโลกก็มีเจริญมีการเสื่อมได้เหมือนกับความสุขทางทางทางโลกของมนุษย์ก็มีการเจริญมีการเสื่อมได้มีการเกิดมีการแก่มีการเจ็บมีการตายได้ดงนั้นถ้าเราเห็นว่าพบทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการมาพบรูปพบหรืออารมณ์พบนี้ ล้วนเป็นของชั่วข่าวทั้งนั้นเป็นอนิจจัง<ม>เป็นอนัตตาเป็นของที่เราไม่สามารถทําให้มันเป็นภพที่ถาวรได้<ม>ถ้าเราอยากให้มันยั่งยืนถาวรเราก็จะต้องทุกไปเรื่อยเพราะมันจะไม่สามารถทําให้เรามีความสุขอยู่กับมันไปได้ตลอดนั่นเอง<ม><ม>อันนี้คือต้องใช้ระดับปัญญาเราจึงจะสามารถที่จะ กำจัดความอยากในระดับของของทั้งหมดได้ต้องมีปัญญาแล้วก็ต้องมีสมาธิเป็นเครื่องมือในเบื้องต้นในการกำจัดความอยากทางกามารมณ์ทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพะถ้าเราอยากจะหยุดความอยากไม่อยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเราก็ต้องอย่าไปอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้เราเปลี่ยนวิธีหาความสุขด้วยการ หาความสุขจากการทําใจให้สงบไปฝึกสติไปเดินจงกรมนั่งสมาธิทําใจให้สงบพอใจเราสงบแล้วใจของเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมาที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขของรูปเสียงกลภภิ่นรสโผฏฐัพพะถ้าเราได้พบความสุขของความสงบแล้วเราก็จะไม่อยากไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอีกต่อไปเราก็จะตัดกามกามะ ตัญหาคือความอยากเสพการอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลดพภาได้แต่พอเราตัดความสุขการหาความสุขจากการได้แล้วเราก็มาติดกับการหาความสุขจากการทาใจให้สงบคือความสุขจากสมาธิที่เป็นเครื่องมือที่เราต้องใช้ในการลากความอยากทางตาหูจมูกร่างกายทางรูปเสียงกลิ่นรส พอราลาความอย า, ทากทั้งรูปเสียงกลิ่นก็ได้แล้วเราก็จะมาติดความสุขของสมาธิ mm hmm. ตอนนั้นเราก็ต้องมาหยุดเรื่องติดความสุขอย่าไปหาความสุขจากสมาธิเพราะว่าความสุขของสมาธิมันก็เป็นของชั่วคราวเป็นของไม่เที่ยงมันสงบเป็นพักๆ mm hmm. เวลาสงบก็มีความสุขเวลาไม่สงบมันก็ทําให้ใจมีความทุกข์ขึ้นมาได้ mm hmm. ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่ามันยังเป็นตายลักอยู่เป็นอนิจังทุกขงังอนัตตาอยู่ถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่ไม่ใช่เป็นตายลักษ <c oughs> คือความสุขของพระนิพพานเราก็ต้องหยุดความอยากหาความสุขทางสมาธิด้วย <c oughs> ไม่ต้องหาความสุขกับจากสมาธิไม่ต้องหาความสุขจากการจากรูปเสีนิสิตลดผลเถรภะถ้าเราหยุดการหาความสุขจากสิ่งต่างๆใน ในในโลกของตายพบได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในตายพบอีกต่อไปเราก็จะไปอยู่ที่นิพพานนิพพานที่ไม่มีความอยากปัศจากการมตันหาปาาัสกาภาวะตันหาวิภาวะตันหาคือความอยากหาความสุขอยากความสงบเมื่อเราตัดได้แล้วใจของเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอย่างที่เรากําลังเป็นอยู่กันในขณะนี้ การที่เรามามีร่างกายนี้เพราะเรายังอยากใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเรายังอยากจะมีความสุขจากการมีเงินทองมียศมีตำแหน่งมีการสรรเสริญเยือนยอมีรูปเสียงกลิ่นรสพทธภพชนิดต่างๆให้เราคอยเสพอยู่เรื่อยๆแต่ของเหล่านี้มันเป็นของที่ไม่แน่นอนเวลาเจริญเวลาได้ามาก็มีความสุข เวลาเสื่อมเวลาสูญเสียไปก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาร้ อ, องห่มร้องไห้กันแล้วนอกจากความเสื่อมของลาบยศสารเสริอแล้วร่างกายที่เป็นเครื่องมือก็ต้องเสื่อมเหมือนกันร่างกายนี้เมื่อเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเช่นเดียวกันเวลาที่ร่างกายเสื่อมไม่สามารถรับใช้เราไม่สามารถพาเราไปหาความสุขจากลาบยศสารเสริญสุขได้ เราก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความซึมเศร้าคนที่เป็นโครคภัยไข้เจ็บไม่สามารถไปเที่ยวไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ได้ก็จะมีการซึมเศร้ามีาความทุกข์ mm hmm. เนี่ยพอไม่มีความสุขในใจ mm hmm. แต่ถ้าเป็นคนที่ได้ฝึกสมาธิมาก่อนนี้จะไม่เดือดร้อนเวลาที่ร่างกายไม่สามารถที่จะหาความสุขจากผ่านทางร่างกายได้ เพราะความสุขของสมาธินี้ไม so, ่ต้องใช้ร่างกายความสุขของสมาธินี้ใช้สติใช้ธรรมะที่เราสามารถสร้างขึ้นมาในใจสตินี้เป็นเครื่องมือของใจถ้าเราสร้างเครื่องมือคือสติขึ้นมาไว้คอยหยุดความคิดให้ได้ถ้าเราหยุดความคิดได้พอความคิดหยุดนิ่งสงบความสุขที่เกิดจากความสงบก็จะผลขึ้นมาในทีแล้วถ้าเรามีความสุขที่เกิดจากความสงบ เราก็จะไม่ทุกข์เราจะไม่รู้สึกซึมเศร้าจิตใจของเราจะสดใสเบิกบาน mm hmm. เวลาใดที่สมาธิของเราเสื่อมลงหรือลดลงเราก็สามารถเติมได้ mm hmm. เติมด้วยสติเช่นใช้คำบากีรมพุทโธพุทโธดูดูลมหายใจเข้าออก mm hmm. เพื่อหยุดความคิดต่อไป mm hmm. พอใจหยุดคิดใจก็กลับมามีความสุขใหม่ได้ mm hmm. ไม่ต้องใช้ร่างกาย ร่างกายจะแก่หรือไม่แก่ก็ไม่เป็นประเด็นจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่ก็ไม่เป็นประเด็นจะตายหรือไม่ตายก็ไม่เป็นประัญหาเพราะความสุขของความสงบนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายใช้สตนะิถ้าอยากจะได้ความสุขแบบถาวรก็ต้องใช้เครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าปัญญาปัญญาก็ต้องเห็นว่าสาเหตุของความไม่สงบของใจก็คือความอยากนี้เอง ความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นลดความอยากเสพรูปประชานความอยากเสพวัรูปประชานเวลาเกิดความอยากเหล่านี้มาใจจะรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกลำคาญไม่มีความไม่มีความสุขถ้าอยากจะให้ความรู้สึกหงุดหงิดความลำคาญใจไม่สบายใจนี้หายไปก็ต้องหยุดความอยากเหล่านี้หรือความอยากก็ต้องใช้ปัญญาให้เห็นว่าสิ่งที่ไปอยากได้มันเป็นของเป็นความสุขชั่วคราว การมาสุขก็เป็นความสุขชั่วคราวความสุขจากสมาธิจากรูปปะฌานหรืออรูปปะฌานก็เป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมเมื่อมันเสื่อมความทุกข์ก็จะกลับเข้ามาแทนที่อยู่เรื่อยๆถ้าไม่อยากจะเจอกับความทุกข์ที่เกิดจากการไปเสพการเสพสมาธิก็อยากไปเสพมันพอตัดความอยากหมดไปจากดได้ตัวที่ทําให้ใจรู้สึกไม่มีความสุขก็หายไป ความความไม่มีความสุขมันก็จะหายไปสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความสุขใจความอิ่มใจความสบายใจเวลาที่ไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไป <Yeah. S 2> อันนี้แหละเป็นวิธีที่จะทำให้เราสามารถที่จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในในสังสารวัฏในใตายพบอีกต่อไปเพราะเราไม่ต้องเราไม่ต้องเสดกามเราไม่ต้องเสษสมาธิเสดรูปปจารย์หรือเสว ร, รูปปจาร อันนี้แหละเป็นวิธีการที่จะทําให้เราบุดพ้นจากความทุกข์ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่ต้องมาทุกข์ทรมานอย่างที่เราทุกข์ทรมานกันอยู่อย่างนี้<ม>ชีวิตของพวกเรานี้มันก็ค่อยๆเดินเข้าสู่ความแก่ความเจ็บความตายกัน<ม>เวลาที่มันเจอแล้วมันถึงจะรู้ลิศของมันว่าเป็นอย่างไรถ้าเรายังไม่เห็นมันล่ า, า จ, จะคิดว่าไม่รุนแรงขนาดไหน แต่พอลองไปถามคนที่เขาแก่คนที่เขาเจ็บดูคนที่เขาจะต้องตายดูถามเขาดูว่ามีความรู้สึกอย่างไรถ้าไปหาหมอแล้วหมอบอกรักษาไม่ได้เป็นโรคมะเร็งนีเหลือเวลาอีกห้าเดือนหกเดือนนีจะทำอย่างไรนี่จะทุกข์หรือจะสุขกันยให้เราพยายามเราเลิกถึงความไม่แน่นอนของร่างกายอยู่เรื่อยๆความแก่ความเจ็บความตายที่จะต้องตามมาอย่างแน่นอน พอที่เราจะได้อย่าอย่าไปเพึ่งร่างกายอย่าไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้เรามาเพื่อธรรมะที่เราสามารถสร้างขึ้นมาให้อยู่กับใจของเราได้ก็คือให้เราม า, าสายสติอาศัยปัญญาด้วยการสนับสนุนของด้วยการรักษาศีลด้วยการทำบุญทาทานการทาบุญทาทานการรักษาศีนี้ก็จะช่วยให้เรามีเวลามีกำลังที่จะไปเจริญสติให้มีมากขึ้น มีจนกระทั่งสามารถทำให้ใจนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาให้เราได้มีความสุขจากจากการใช้สติต่อไปเราก็จะได้ไม่ต้องไปอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขแล้วถ้าเราใช้ปัญญาเป็นเราก็จะสามารถกำจัดตัวที่มาสร้างความความทุกข์ความไม่สบายใจให้กับเราคือความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจ เรไม่มีความอยากหลงเหลือแล้วอยู่แล้วใจของเรานี้ก็จะเป็นใจที่สงบตลอดเวลามีความสุขตลอดเวลาไม่ต้องไปหาความสุขจากอะไรอีกต่อไปไม่ต้องไปหาความสุขจากร่างกายจากรูปเสียงกิ่นรสไม่ต้องไปหาความสุขจากสมาธิสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องทําอะไรเพราะว่าธรรมชาติของใจที่ปราศจากความอยากนี้เป็นธรรมชาติที่มีความสุขอย่างยิ่งอย่างที่พรุทธเจ้าทรงตรัสว่านิบบานังปรมังสุขัง ใจที่เป็นนิพพานคือใจที่ได้กาจัดความอยากทั้งหลายให้หมดไปจากใจแล้วใจอันนี้แหละจะเป็นบร ม, มสุขขึ้นมามนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เรามาทบทวนพฤติกรรมของเราที่เราได้ทำมาตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงบัดนี้ว่าเราทำบุญทำบาตมากน้อยเพียงไรเราคอยกำจัดคอยหยุดความอยากได้มากน้อยเพียงไร เราได้เจริญสติได้เจริญปัญญากันมากน้อยเพียงไงสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นตัวที่ที่จะพาให้เราได้ไปสู่ความสุขที่แท้จริงให้เราไปสู่การสิ้นสุด ข, ของความทุกข์ทั้งปวงได้จึงขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติตามกําลังของท่านตามกําลังศรัทธาตามกําลังสติปัญญา แล้วผลต่างๆที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับก็จะเป็นผลที่ท่านทั้งหลายจะได้รับเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาธาวาริวาหาปูราปัลิปุเรนติสะกลังเอวามวาอิโตทินงังเปตานังอุปกาปติ อิทิตังปฏติตังตุมหังคิดเปเมวัสมิจฉาตุสัพเพปเรนตุสังกปาดันโทปนาราสสยธามณนิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจฉาตุสัพพะรโควินัสตุ มาเตผวตะวันตรายุสุขีทีคายุโกผวะอภิวาธนศีลิสานิจังวุธาปจายโนจตารโธรมาวะทานติอายุวันโนสุขังฮาลช่วงต่อไปนี้ก็ช่วงถามตอคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวที่สะดวกที่สุดเพราะหลังจากที่เลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะถามตอบเพราะต้องมีทำอย่างอางื่นกันอีนถ้าอยากจะถามอะไรก็ถามตอนนี้ถ้าไม่อยากกระถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาเดือนนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ครบนวัตกรราจารย์เจ้สค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมานากุติ ทาง Facebook 454ท่านทาง y youtube พระอาจารย์289ท่านทางด r V c h a n ร e l ช81ท่าน c คร์ House 6ท่านวิทยุออนไลน์11ท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิ300ท่านเจ้าค่ะรวมทั้งหมดเป็น 1,141 ท่านเจ้าค่ะถ้ามมีอะไรก็ด มีคําถามจากผู้รับฟังธรรมะนาคุติเจ้าค่ะกราบนมัส ก, การพระอาจารย์การบริจากร่างกายเป็นการสร้างบุญไหมคะถ้าบริจาคตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นการสร้างบุญเช่นบริจาคเลือดอย่างเงี้ยเป็นการสร้างบุญเพราะเราเห็นกับตาเราเองว่าเราได้เสียสละของที่มีค่าในตัวเราให้กับคนอื่นไปหรือบริจาคไตไปข้างนึงอย่างเงี้ยตาไปข้าง อย่างนี้จะได้บุญเพราะเรารู้เรารับรู้เราเป็นผู้ให้เราได้รับความสุขแต่ถ้าเราตายไปแล้วเราค่อยบริจาคนี้เราไม่ได้บุญเลยเพราะเราไม่รู้เรื่องลตอนนั้นเราไม่ได้เป็นเจ้าของร่างกายนั้นเหนจะถ้าจะบริจาคให้ได้บุญคือความสุขใจอิ่มใจที่จะพาเราไปสวรรค์ได้เนี่ยเราต้องทำตอนที่เรารู้เรื่องมีชีวิตอยู่ mm hmm. เช่น เช่นพ่อแม่อาจจะตายวายล้วก็จะบริจาคตายข้างหนึ่งให้กับพ่อแม่ไปอย่างนี้เรารู้เราจะมีความรู้สึกมีความสุขใจแต่ถ้าเราตายไปแล้วค่อยค่อยบริจาคนี้เราไม่รู้เรื่อ ง, องนะถึงแม้เขายาวตายไปทําประโยชน์ได้ก็ตามแต่ทาหรับคนใหไ้ไม่ได้ประโยชน์อะไรนิ่งถ้าอยากจะได้บุญได้ประโยชน์ต้องทําตอนที่ตอนเองอยังมีชีวิตอยู่เห <S S S> มือนกับเงินทองเนี่ยเงินทองถ้าเราทําบุญตอนนี้เราได้บุญ เราตายไปแล้วให้คนอื่นก็ไปทาให้เรานี่ไม่ได้บุญนะเพราะเราไม่รู้เข้าไปทำหรือเปล่าชค่ะมีคำถามจากน้องเซรีน่าค่ะมารับฟังธรรมะนาคุตินรมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าเรามาฟังธรรมทุกอาทิตย์ในวันเสาร์แต่เราไม่ได้ฟังในวันอาทิตย์บุญเราจะลดหรือไม่หรือบุญเท่าเดิมคะ อ๋บุญเหมือนกันอยู่ไม่ได้อยู่ที่วันอยู่ที่การฟังของเราว่าเราฟังแล้วเราเข้าใจหรือไม่สงบหรือไม่ถ้าเราฟังแล้วเข้าใจก็ได้บุญถ้าเราฟังแล้วใจเราสงบก็ได้บุญ คำถามต่อไปจากผู้รับฝากหน้ากุติขอกราบบูชาขอกาศสอบถามครับผู้ที่เขาเคยจิตรวมได้แล้วครั้งหนึ่งแต่บัด น, นี้จิตเสื่อมลงหมดการจะให้จิตรวมได้อีกครั้งหนึ่งต้องใช้วิธีเดิมที่เคยทำหรือต้องใช้วิธีใหม่ครับก็วิธีเดิม่ะเราจำได้หรือเปล่าว่าทำอย่างไรที่ทำให้จิตเราสงบคราวที่แล้วเราก็ลกลับมาทาใหม่ หมืนหุงข้าวอ่ะข้าวที่แล้วเราหุงข้าวยังไงคราว น, นี้เราอยากจะได้ข้าวหม้อใหม่แล้วก็หุงใหม่ด้วยวิธีเดิมเป็นแต่ยวบางทีเราไม่ทํานี่ยเวลานั่งสมาธิก็นั่งอยากให้มันสงบอยากให้มันรวมอย่างนี้ก็จะไม่รวม ม, มันรวมเพราะว่าเรามีสติจดจ่ออยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่างนี้มันก็จะรวมแต่เช้าพานั่งสมาธิแล้วก็คิดถึงการที่เคยรวมมาก่อนในอดีตแล้วก็ต้องคิด ขอให้มันรวมขอให้มันรวมงนี้มันไม่รวมมาให้เรานะเราต้องเริ่มต้นใหม่เหมือนหุงท่าหม้อใหม่หม้อเก่ามันบูดไปหมดแล้วต้องบุกหุงใหม่ต้องน้างข้าวใหม่ต้องตั้งตั้งไฟใหม่อันนี้เหมือนกันทุกครั้งถ้าเราต้องการจะทาใจสงบเราต้องมีสติกำกับใจให้อยู่กับอย่างใดอย่างหนึ่ง อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปไม่สนใจว่าจะสงบหรือไม่สงบอย่าไปอย่าไปคิดถึงมันให้คิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวถ้าเราไปคิดถึงว่าจะสงบสักทีคราวที่แล้วสงบทำไมวันนี้ไม่สงบอย่างนี้ไม่ไม่มีวันที่สงบเพราะเราไม่ได้อยู่กับพุทโธเราอยู่ความคิดต่างๆการนั่งสมาธิให้สงบเพื่อหยุดความคิดจะหยุดความคิดได้ก็ต้องอยู่กับพุทโธแล้วอยู่กับลมหายใจอย่างเดียว ขอหาคำถามจากยู u b e จากคุณดิศยาเฟื่องฟูกราบเรียนถามพระอาจารย์การใช้กระสินสีขาวจนใจเข้าสู่ความสงบได้เราจะใช้แทนการดูลมหรือบริกรรพุทโธในบางครั้งได้หรือไม่คะถ้าทำใจสงบได้ก็ใช้ได้วิธีทำใจสงบก็ม <o> ีหลายวิธีด้วยกันไม่ใช่แต่เฉพาะพุทโธหรือดูลมอย่างเดียว มีหลายวิธีมี4ี่สวิธีเรียกว่ากรรมฐาน40ี่สิบคำถามจากคุณหนิงสาวรนีกรบนมัสการพระอาจารย์ค่ะจากอังกฤษค่ะอยากถามว่าทำบุญบ้านได้บุญอย่างไรคะขอบพระคุณมากเจ้าค่ะบ้านไม่ได้บุญหรอกบ้านมันไม่รู้เรื่องคนที่ได้บุญคือเจ้าของบ้านคนที่ทำบุญ น, นะนี่จะทาที่ไหนก็ได้ทำที่บ้านก็ได้ทำที่วัดก็ได้แล้วแต่เราสะดวกจะทาที่ไหนก็ได้ มันไม่ได้ไปทําให้บ้านแคล้วคลาดปลอดภัยไฟไม่ไหม้หรือน้ำไม่ท่วมหรอกมันทําไม่ได้ของพวกนี้มันไม่เกี่ยวกันทําบุญนี้คนทําเป็นคนได้คือใจของคนที่ทำนะเป็นคนได้ทําแล้วก็เกิดความสุขใจอยใจยัางอื่นไม่ได้บ้านไม่ได้บุญอะไรจะทําบุญขึ้นบ้านใหม่นี้บ้านก็เหมือนก็เหมือนกขาไม่ได้ทําก็ได้ไม่ไม่เกี่ยวกันแต่ทําให้คนที่อยู่บ้านใหม่อมีความสุข คำถามจากคุณปัญญาเจ้าค่ะกราบนมัสกรารพระอาจารย์ครับทานที่ทำให้กับบุตรที่ยังมีชีวิตอยู่สามารถอุทิศผลบุญให้ผู้ล่วงลับไปแล้วได้ไหมครับไม่ไม่ค่ัเข้าใจทำบุญให้กับใครแล้วไปบุญอุทิศบุญให้อีกอีกอันหนึ่งนี้ยังไงทานที่ทำให้กับบุตรที่ยังมีชีวิตอยู่สามารถอุทิศผลบุญให้ผู้ล่วงลับไปแล้วได้ไหมครับ คือเราทําทานให้คนอื่นไม่ได้ทุกคนต้องทําบุญเองถ้าอยากจะให้ลูกทําบุญก็พาลูกไปทําบุญด้วยกันแต่เราทําบุญเราไปบอกลูกว่าแม่ทําบุญให้ลูกก็นะเราบุญนี้ที่ให้คนตายมันไม่ได้ลูกไม่ได้บุญเพราะลูกไม่ดูเรื่องรู้ราวเราคนทํา่ำเราได้บุญแล้วเราก็สามารถอุทิศบุญนี้ให้กับคนไข้กับคนตายได้แต่ถ้าจะให้ลูกทําบุญเราก็ต้องให้เขาทําเองบอกเขาว่าวันนี้แม่จะไปทําบุญ แล้วเขาบอกขอร่วมด้วยผมมีเงินสิ บ, บาทเขาขอร่วมทําบุญกับแม่ด้วยอย่างนี้เขาถึงจะได้บุญแต่ถ้าเราเอาเงินให้ลูกแล้วบอกเอาไปทําบุญอย่างเงี่ยไม่ได้เพราะมันเงินไม่ใช่ของเขาแล้วเราเป็นคนสั่งให้เขาทําเจ้าค่ะยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะโอเคถ้าไม่มีก็คิดว่าเอาแค่นี้ก่อนสําหรับวันนี้เอา้าเชิญมีคาถามเข้ามาท่านหลังหยิบไม้ให้ท่านหลั กราบเรียนพระอาจารย์ครับผมมีคําถามเกี่ยวเรื่องของวิญญาณธาตุนะครับผมอยากทราบว่าวญิญญาณธาตุเนี่ยมีลักษณะอย่างไรและวิญญาณธาตุเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับวิญญาณธาตุเป็นอมตะใช่ไหมนะครับผมอยากทราบว่าความสัมพันธ์ระหว่างวิญญาณธาตุในตัวเรากับจิตที่เป็นความคิดกับจิตที่เป็นสติทํางานสัมพันธ์กันอย่างไรครับมีคําถามแค่นี้ครับ โอเควิญญาณธาตุก็คือธาตุรู้ธาตุรู้ก็คือหนึ่งในธาตุหกที่ไม่เกิดไม่ดับไม่อยู่มาแต่ดั้งเดิมธาตุหกก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอวกาศสทธาแล้วก็ธาตุรู้ธาตุรู้นี่เราเรียกว่าใจผู้รู้ผู้คิดสติก็อยู่ในใจนี้ใจเป็นผู้มีสติ ใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายคิดนั่นคิดให้สั่งสั่งให้ร่างกายทํานู่นทํานี่ด้วยความคิดนันใจก็เป็นเหมือนเป็นเป็นธรรมชาติที่มีความรู้รู้สึกรับรู้ความรู้ต่างๆได้<ม>แล้วก็มีสติถ้ามีสติก็สามารถกํากับใจให้ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งได้ถ้าไม่มีสติก็บางทีอาจจะถูกอย่างอื่น ผลักดันไปเช่นกิเลสตัณหาความโลภความอยากก็จะผลักดันให้ไปทําอะไรทางใดทางหนึ่งได้แต่ถ้ามีสติก็สามารถคุมกิเลสได้อยู่ในใจทั้งหมดอยู่ในธาตุวิญญาณนี้ทั้งหมดที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่ได้อยู่ในร่างกายของเราถ้าตุนี้อยู่อีกโลกเราเรียกว่าโลกทิพย์โลกวิพย์นย่ะาเป็นอรมาติใช่ไหมครับ ก็มันไม่มนไม่ดับไม่เกิดมันมีอยู่ตลอดนั่งเดิมทั้งหกธาตุนี้ธาตุดินน้ํำลมไฟอวกาศสัตว์มันเป็นของที่มีอยู่ตลอดไม่มีวันดับไม่มีมันเกิดไม่ต้องไปสนใจปัญหาตอนนี้อิวที่ธาวิญญาณธาตนตอนนี้มันมีความทุกข์ทุกข์จากความหลงของมันเองหลงแล้วเกิดความอยากพอเกิดความอยากมันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจ เราก็ต้องมาแก้ปัญหาของความทุกข์ใจก็คืออย่าไปอยากหยุดความอยากให้ได้ด้วยสติด้วยปัญญาถ้าเราหยุดคือความคิดใช่ไมครับอ่อะไรเนะี่ยปัญญาก็คือความคิดความคิดไปในทางที่ถูกต้องไปตามหลักความเป็นจริงเช่นคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเนี่ยคือความจริงไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรที่เราควบคุมบังคับได้มันเป็นอนัตตาถ้าเราเห็นความจริงเราก็จะไม่ฝืนความจริงไม่ไปอยากฝืนความจริง พอเราไม่อยากจะฝืนความจริงมันก็จะไม่มีความทุกต่างๆปัญหาของใจลอนนี้ก็คือยังทุกข์อยู่เรามาแก้ปัญหาตัวนี้ตัวเดียวโดวยการหยุดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจรติและปัญญ า, ม, า, ม, ม, า, ามีคําถามเข้ามไหมครับท่าเจ้าค่ะมีคําถามจากคุณนักลบกองทัพธรรมกราบน้ำระสการพระอาจารย์พรุ่งนี้ วันขึ้นปีใหม่อยากให้พระอาจารย์เทศ ส, สอนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างไรไม่ให้ประมาทในชีวิตครับก็ต้องรอพรุ่งนี้มาฟังวันนี้หมดเวลาแล้วนะเทศจะมีอีกชั่วโ ม, มงกว่าจะจบเดี๋รอพรุ่งนี้นะพี้จะเทศให้ฟังหมดแล้วยังคําถามหมดแล้วก็แค่นี้ก่อนนะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านทรงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิิจพิจารณาไปปฏิบัติ เอความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งขึ้นไปเถิด